พระธรรมเทศนาแผ่นที่63าลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่28มิถุนายน2557มีชื่อเรื่องว่าทายาทบุญทายาทบาปหลวงพอ่อสมคิด วัดผู้เจ้าก่อมุกดาหารที่นั่งเลี้ยงหลวงพอนะ่อเนี่ยเจ้าอาวาตรที่เป็นหลานหลวงปู่หลาที่สืบทอดหลวงปู่หลาที่ดูแลผู้เจ้าก่อนะแล้วก็องค์ต่อไปเนี่ยเออสมพงษ์คนหนึงสมคิดคนหนึงสมพงษ์เป็นหลานหลวงปู่ทั้งสองนะ่ะอยู่วัดผาน้ำญาติบ้านโคกกลางใกล้ๆกันกนะับผู้เจ้าก่อ ตะกอนก็หลงปูหลากไปอยู่ภูเก่าภูเก้ากับผาน้ํายาดเนี่ยทาง ผ, าผ่ า, า, ผานภูเก่าทั้งผ่านบินทบาดทางผ่านบินทบาดภูเก้าที่หลงปูออกจากบ้านห้วยชายไปอยู่ภูเก้านะทางบินทบาดผ่านน่นะผ่านวัดหลวงพ่อสมพงษ์เนี่นะยเดี๋ยวนี้เขาก็เลยสร้างวัดขึ้นมาเอาน้ำมาจากภูผาขามโอ้น้ำไหลตลอดแล้วก็ นี่แ ล, ลูกหลานของหลวงปู่เหมือนกันหลานหลวงปู่ล่าเหมือนกันเนี่ยหลวงปู่ล่าท่านกับมีทายาทหลายองค์เหมือนกันนะที่เป็นผู้สืบทอดจากองค์ท่านที่เป็นทายาทที่เป็นเลือดเนื้อเสื้อไขของหลวงปู่แต่เมื่อวานนี่พระทางปูจ้ก็เข้ามาวัดของเราเนี่ยท่านมาพักก่อ น, นมาหกองค์ แต่เมื่อเช้าเนี่ยพวกญาติพี่น้องของหลวงพ่อเหมือนกันน่ครูธนูศิลสุวรรณเป็นลูกของอาเป็นลูกของอาในฐานะเป็นน้องชายโยมพ่อของหลวงพ่อเนี่ยเป็นพี่ชายของพวกลูกพวกน้องๆเหล่าเนี่ยหลวงพ่อ่าอยู่ที่บ้านห้วยซายงานของหลวงปู่จามโยมพ่อของหลวงพ่อเนี่ย เป็นพี่ชายใหญ่ของตระกูลแล้วก็พี่น้องของหลวงพ่อเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชายไปหมดแล้วไสองคนละยังเหลือแต่พี่สาวแต่ว่าเป็นฝ่ายชายแล้วก็เป็นนามสกุลผิวขำ่ำฝ่ายชายแล้วก็หลวงพ่อเนี่ ย, ย ใ, ใ, ใหญ่สุดในตระกูลหลวงพ่อประกาศหลวงพ่อเนี่ยใหญ่สุดในตระกูล เพราะว่าเป็นลูกพี่ชายใหญ่ของหลวงปู่แต่เดี๋นี้ก็ในลูกหลานพี่น้องของหลวงปู่จามนะก่อนมีหลายคนนะทั้ง8ปดคนลูกนาลูกอาในตระกูลแต่ก็น่าภาคภูมิใจหลวงพ่อเองภาคภูมิใจในญาติพี่น้องเพราะว่าหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นมา ปลูกฝังอุปนิสัยตนตระกูลของหลวงพ่อเนี่ยปู่ยาตายายก็นับถือพระพุทธศาสนานับถือพระธุรงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นท่านมาบอกกล่าวให้ลดละไม่ให้ถือผีพูดง่ายๆไม่ให้กินเหล้าไม่ให้ถือผีปู่มั่นท่านมาสอนรุ่นแรกแตะก่อนแถวภูไทยนี่ยถือผีโห เป็นชีวิตจิตใจจริงๆนะถือผีนับถือผีอย่างมากถือมาแต่โบราณโบราณแต่หลวงปู่มั่นท่านมาแนะนำสั่งสอนให้ยึดพระไตรสระคมยึดพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งอย่าไปถือผีผีมันมีกิเลสอยู่ถ้าหากว่าเราทำถูกใจผีก็มีใจมันกันนะถ้าว่าถูก ใจผีผีก็ให้ความสนับสนุนแต่ถ้าหาว่าไม่ถูกใจผีจะไปถูกใจได้ยังไงเหมือนกับเราเนี่อสามวันดีสี่วันไล่เราก็เหมือนกัน่บางทีเขาทําถึกใจแล้วก็ดีใจฮะแต่บางครั้งทิศใจหน่อยหนึ่งก็โกรธให้เขาฮงผีก็เหมือนกันนะมันยังมีกิเลสเหมือนกับมนุษย์เพราะนั้นอย่าไปนับถือผีให้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าเป็นผู้หมดจดจากกิเลสมีแต่ให้พระคุณอย่างเดียวโทษไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระธรรมที่สอนให้คนเป็นคนดีพระสงค์สาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้หมดจดจากกิเลสไม่มีโลคโกรธหลงให้แต่คุณไม่มีโทษ เนี่ยหลวงปู่มั่นท่านสอนเพราะนั้นให้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งอย่าไปนับถือผีอย่าไปนับถือคนมีกิเลสคนมีกิเลสเนี่ยพร้อมที่จะดีจะชั่วได้มันยังไม่มาตรฐานมันไม่สแตนดาร์ดมันไม่คงที่มีขึ้นมีลงเพราะนั้นอย่าไปนับถือนะอันนี้คือหลวงปู่มั่นท่านสอนเผาภูไทยจากนั้นก็ โยมปู่โยมยากทั้งหมเลยทิ้งสารพระภูมิทิ้งผีมานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แทนพวกเราลูกหลานก็เลยเป็นสัมมาทิฏฐิยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งตั้งแต่ต้นตระกูลมาถ้านนึกย้อนดูแล้วก็อืเป็นที่ภาคภูมิใจในตระกูลที่เป็นผู้มี หลวงปู่เสาหลวงปู่มันที่เป็นบันณฑิตนักปราชญ์ที่ท่านได้มาแนะนําสั่งสอนต้นตระกูลจากนั้นก็นับถือมาเรื่อยๆจนได้บวชในพุทธศาสนากนันเองละหลวงปู่จามมหาปุญโยเนี่ยที่ท่านได้บวชที่เป็นหลวงอาเนี่ยจากนั้นก็าคุณย่าก็บวชคุณปู่ก็บวชคุณย่าก็บวชเป็นชีจากนั้นกั ค, ก ค, กนกนนคุณแม่ชีแก้วก็เป็นเครือ ตระกูลญาติอีกแล้วก็อาโยมอาหญิงคุณแม่เจียงก็บวชอีกสรุปแล้วก็คือตระกูลหลวงพ่อเนี่ยดูดูแล้วก็ใยในธรรมะใยในสัมมาทิฐิทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเครือญาตินะคณะทศไทยญาติโยมลูกหลานเพราะนั้นพวกเราณนคะวรจะปลูกฝังอุปนิสัยของลูกของหลานให้ ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถามด้วยซิเนะี่ยลูกหลานหมนะีลถามลงข้อก็ถามถะถามวงสาคนาญาติก็ถามเถอะเสียใจไหมที่เราได้นับถือพระไตรสระนคมยึดพระไตรสระนคมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งพวกเราเสียใจไหมมีแต่ทุกคนก็นึกย้อนเหล่าไม่แต่ภาคภูมิใจ แค่ว่าต้นตระกูลของเราเนี่ยปู้ญาติตายายของเราเนี่ยผานับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์นับถือพระทูตงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนึกขึ้นมาเมื่อไหร่พวกเราก็ภาคภูมิใจด้วยกันทุกคนที่เป็นลูกเป็นหลานเพราะนั้นพวกเราเนะ่ยลูกหลานคณะรทาญาติโยมอยากจะให้ลูกหลานของเราเป็นคนดี เราก็ต้องทำดีให้ลูกหลานของเราดูปู่ย่าตายายของหลวงพ่อเนี่ยมาถึงโยมพ่อหลวงพ่อก็เถอะนะท่านก็มีศีลห้ามาตั้งแต่อายุสาสบห้าปีโยมพ่อนะเราก็ประกาศเลยเรื่องสุราเนี่ยไม่ให้ดื่มถ้าเป็นลูกชายของท่านไม่มีใครที่จะดื่มไม่มีใครรู้รสของสุราเลยเพราะว่าท่านนับถือ หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโยมพ่อของหลวงพ่อมาถึงหลวงตาแล้วนะหลวงตามหาบัวแล้วพราะคุณแม่ชีแก้วท่านก็มีทั้งตานอกมีทั้งตาในให้ท่านกวาดเนี่ยหลวงตามหาบัวนี่เป็นพระที่แท้จริงนะคณะสัตยาติโยมทุกคนนะลูกหลานทุกคนนะชาวบ้านเขาเรียกหลวงตามหาบัวในสมัยนะั้นเขาเรียกยาท่าน เรียกลุงปู่มั่นก็เรียกว่ายาท่านมั่นที่เรียกลุงตาเขาก็เรียกยาท่านเหมือนกันเพราะว่าคุณแม่ชีแก้ว เ, เป็นผู้พาเรียกเพราะว่าคุณแม่เนี่ยท่านได้ศึกษาธรรมะจากองค์หลวงตาแล้วท่านมั่นใจว่าหลวงตาเนี่ยคือพระอรหันต์พระอรหันต์องค์หนึ่งในความรู้สึกของตระกูล เ, เพราะฉะนั้นโยมพ่อของหลวงพ่อกันจะเป็นผู้ใฝ่ในธรรมะ รักษาศีลห้ามาตั้งแต่อายุ35มาปีจากนั้นของพวกอาอาหน้า น, านาทั้งหลายก็ได้สนใจฝ่ายธรรมะนี่แหละที่พูดท้งนี้ทางนั้นให้ฟังไม่ใช่หลวงพ่อขี้อวดนะพูดให้ฟังตามความเป็นจริงและอีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อเองก็ภาคภูมิใจในตระกูลที่วัดปูย่ย่าตายายไต้นำแนวแถว ทำคำสอนของหลวงปู่มั่นมาจึดแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติแต่บางตระกูลอยู่ในเครือขายบ้านห้อยทรายเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ยอมรับหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นเหมือนกันเ่เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในบ้านเดียวกันไม่ใช่ว่าจะเห็นอย่างเดียวกันไม่ใช่นะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงว่าเราเนี่โชคดีที่ปู่ย่าตายายของเราได้นับถือ พ่อแม่ครูบาอจารย์หลวงปู่มัน่นขนาดปานห้อยทรายหลวงปู่มั่นไปอยู่ฝากฝั่งหนึ่งมาบินธบาตอีกฝากฝั่งหนึ่งข้ามท้องนามาเจ้าของนาเนะี่ยไม่พอใจโกรธให้พระโกรธให้หลวงปู่มัน่นเพราว่าเหยียบคันนาเขาตามไม่จริงถ้าก็เหยียบนิดๆหน่นนนอยๆท่า น, นก็รู้อยู่แล้ว มันมีความไม่พอใจมันมีอยู่ในใจทํำยังไงมันก็ไม่พอใจเพราะคนไม่พอใจผลที่สูงขึนะ้นนั้นขี่ใส่คันนาเสร็จแล้วก็หาไม้ไผ่เกลี่ยเคลี่ ย, ยให้มันเปื่อนเปรอะไปหมดให้พระไปเหยียบขี้ขี่คนมันก็นเหม็นคุ้งไปหมดใช่ไหมละ่ะนี่แหละขันนาดนั้นก็มีได้ในยุค ข, ของหลวงปู่มั่นคณะสัตายาธิโธมันไม่ใช่ธรรมดาละมิจฉาทิฐิ แต่บาปกรรมนะบานนี่บาปกรรมก็เล่นงานมากระทั่งทุกวันนี้นะจากนั้นลูกหลานจะเกิดขึ้นมากับเป็นบ้านะไม่รู้กี่คนนะกับตาบอดอีต่างหากเป็นบ้าอีต่างหากคล้ายๆแเป็นตระ ก, กูลที่ว่าเป็นบาปนะบาปทำกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับองค์หลวงปู่มั่นท่านเป็นพระมีแต่แนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนลูกหลานแต่พวกเราทําตนไม่ดี บาป ก, กรรมให้ผลไงแต่พวกเราก็มาคิดอีกว่าเอา้าทําไมพ่อแม่ทําไม่ดีทําไมถึงตกถึงลูกถึงหลานด้วยฮะทําไมตกถึงลูกถึงหลานด้วยอันนี้มันทายาตไงมันทายาตคล้ายๆว่าพ่อแม่เนี่ยทํากรรมไม่ดีใช่ไหมพอทํากรรมไม่ดีไอ้พวกลูกที่มาเกิดเขาก็ทํากรรมไม่ดีในอดีตไงคงจะนี้แหละลักษณะที่ว่ากานแกล้งคนอื่นแล้วก็ทํากับ พระริยบุคคลนะมาจวบเหมาะก็มาเกิดกับคนชั่วด้วยกันพอต่อมาอีกคนนก็ทําชั่วเยกในอดีตแหมมากก็มาเกิดอยู่ด้วยกันผลทั้งส่วเลยชั่วต่อชั่วมาเกิดด้วยกันทั้งหมดมันลุมมาเกิดตรงนั้นพวกชั่วทั้งหลายแหละคนดีมาเกิดไม่ได้เพราะมันมาเกิดกับคนชั่วเนี่ยนี่แหละมันต้องเลี้ยงกันชั่วต่อชั่วก็ต้องเลี้ยงกันเป็นทายาทไปแล้วเท่นี่เพราะนั้นขอให้พวกเรานะ ถ้าเราเป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีทําแต่สิ่งที่ดีเทวดาชั้นฟ้าก็ลงมาเกิดด้วยเห็นไหมพระเจ้าจุโถธนะท่านเป็นคนดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีพระพุทธเจ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตก็ลงมาประสูติด้วยลงมาเกิดด้วยเพราะเหตุไรเพราะคนดีที่ไหนก็มาเกิดมาเกิดด้วย บอกคนเลวทําความชั่วชั่วที่ไหนก็มาเกิดกับเราทั้งหมดเกิดขึ้นมาแล้วก็สอนอยากบ่ายยากเผลอเผลอจะเป็นพิษเป็นภัยต่างหากพูดมากก็ไม่ได้พูดน้อยก็ไม่ได้มีแต่แตแตเรื่องโรคโหมโกันะมีแต่เรื่องแต่เราเกิดขึ้นในครอบครัวเพราะหะไรเพราะตัวเองทําสิ่งที่มันไม่ดีเอาไว้คนที่มันไม่ดีก็เลยมาเกิดด้วยนี่แหละ มันเป็นทายาทอย่างนั้นน่ะกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทําทํำแต่สิ่งที่ดีนะขอให้พวกเราทุกๆท่านนะคณะทายาทโยมลูกหลานทุกคนอยู่นัดสถานที่ใดประกอบตะคุณงามความดีตายแล้วไม่สูญหลวงปู่มั่นท่านยืนยันหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานเนี่ยท่านยืนยันรอเอร์เซ็นพนอร์เซ ตายแล้วไม่สู่นะลูกหลานนะสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ก็คือให้นั่งภาวนานะให้นั่งภาวนาเพราะนั้นทุกสิทธิ์ลูกหาของหลวงปู่สาหลวงปู่มั่นพอท่านสอนเสร็จแล้วนะั่นตะพายบาดแบกกรดเข้าไปอยู่ภู ผ, ผาป่าไม้อยู่ตามถ้าอยู่ในที่สงบสงัดฉันฉันเสร็จแล้วก็นั่งคัดสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกจิตใจรวมสงบ เมื่อจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งแล้วนะ่ะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายนะในร่างกายของเรามันมีอยู่สองอย่างรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมคือร่างกายเนะี่ยตายแตกสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟเอาไฟเผาทิ้งแ น, แน่แต่ส่วนนามธรรมคือจิตใจนะตัวผู้รู้อยูนะ่นั่นแหะมันอยู่ในตัวของเราเนะี่ยตัวที่รู้แต่เดี๋ยวนี้เราว่าสมองแต่ตามไม่จริงสมองก็ใช่ เหมือนกับรถของเราเนี่ยเขามีสมองกลโนอยู่รถรุ่นใหม่รถราคาแพงราคาแพงเท่าไหรก็ยิงมีสมอง อ, อย่างละเอียดพอเราสตาร์ทเครื่องเท่านั้นสมองมันก็ทํางานสมองกลมันทํางานมันก็บอกหมดน้ํามันมีเท่าไหรเ่เรากดเราจะไปนู่นไปกรุงเทพจากนี้ไปกรุงเทพระยะทางเท่าไหร่มันก็บอกเลยจะกินน้ํามันเท่าไหร่จากนี้ไป จะกินน้ำมันเท่าไหร่มันก็บอกอีก เ, อเพราะสมองมันบอกแต่ก่อนที่สมองจะใช้งานก่อนที่มันจะทำงานนะมันไม่ใช่ว่าทำงานเองนะทีนี้คนไปสตาร์ทเครื่องซะก่อนจะไปกดมันไงไปกดใช้มันไงมันจึงบอกขึ้นมาเราก็อืมอ่ะรู้นี่ก็เหมือนกันนะสมองของเราอยู่ที่หัวของเราเราไม่รู้ว่าใครไปใช้สมองแต่พระพุทธเจ้านะท่านรู้ ว่ามีนามมธรรมคือใจนะ่ไปใช้สมองสั่งสมองให้ทำการทางานคิดโน้นคิด น, น, ดนี้แต่สมองนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีทุกคนเสมอกันก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันบางคนก็โง่บางคนก็เป็นบ้าบางคนก็ปั๊มปั๊มเปิรเปอ ร, ปอรสมองไปทำงานเอาทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากรรมกรรมคือการกระทำในอดีตท่านบอกว่าใครชอบกินเหล้า ชอบยาเสพติดทั้งหลายกินเหล้าทั้งคัญชายาฝิ่นเฮโรอี น, น, นชาติที่แล้วเนะี่ยพอมาเกิดพบนี้ชาตินี้นะเกิดมากนะันเป็นคนโง่สมองคอมพิวเตอร์เนะี่ยไม่ได้ล้างเหมันานะมันเออเลอ์บังอามันไม่ทำงานบังมันลวนเนะ่ยพูดง่ายสมองมันลวนพอยรเพราะกรรมได้สมองมาไม่ดีเงินตัวเองไปซื้อราคาถูก ซือเครื่องราคาถูกอาจจะเป็นเมืองลาวผลิตหรือเมืองคขเมนผิดก็ไมพิูเล่ะคอมพิวเตอร์ตัวนี้ตาว่าคอมพิวเตอร์ดีเลยนู่นเขาผลิตมาจากอเมริกาญี่ปุ่นที่มาตรฐานของเขาเน่ยมาตรฐานโลกเอามาใช้มันก็กดมันก็ ด, ก ด, ดีเลยเพราะเหตุไรเพราะว่าเรามีเงินเรามีบุญคนที่จิตใจที่มีบุญกับมือจิตใจของเรามีเงินเราก็ไปซื้อของแพงๆได้ เราไปเลือกเกิดได้เราไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีที่ร่ำรวยไปเลือกเกิดเพราะเรามีเงินคนไม่มีเงินคนไม่มีบุญเกิดมาพบนิชานที้ไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษมีอีกต่างหากขี้เกียจทำบุญอีกต่างหากทำกรรมช่วยอีกต่างหากพอตายจากชาตินี้ก็ไปถ้าไม่ตกนรกไปเกิดกับหมูหมา ก, กาไก่ก็มีไปเกิดกับมนุษย์ ที่บ้าบ้าบ้องๆก็มีฮงเพราะอะไรเพราะกรรมกรรมชั่วพาไปเกิดแปลว่าคนไม่มีเงินคนไม่มีบุญไปเกิดแต่คนมีบุญไปเกิดจะเลือกเกิดได้นะเพราะนั้นพวกเราควรสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเมื่อเรามีบุญมีกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วไปเลือกเกิดได้สรุปแล้วก็คื อ, คอตายแล้วไม่ศูญในหลักครรมคำสอน ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำคําสอนของพระพุธทธเจา้าถ้าพวกเราอยากจะรู้ไม่ต้องถามใครอีกตั้งหากบทพิสูตนไม่ต้องถามใครให้นั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธิจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเป็นเอกเทศเลยกายกับใจใจกับกายมันคนละอย่างกันเลยคนที่มาใช้คอมพิวเตอร์นี่รู้ชัดเจนด้วยตนเองคือใจคือนามมาำ้ำมะถมเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ ยังไงถ้าเราพิสูจน์ยังไม่ได้ก็ให้เชื่ออย่าพึ่งปฏิเสธให้เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้ก่อนแต่ไม่ให้เชื่อหลวงพ่อนะ ห, หลวงพ่ออินไม่ต้องเชื่อเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เชื่อพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าไว้ก่อนอย่าพึ่งปฏิเสธอย่าเพิ่งรับถ้ารับทีเดียว เ, เรายังไม่ได้พิสูจน์มันก็ไม่สนิทใจอีกเหมือนกันมันเราโง่หรือเปล่านะีมันกิเลสมันว่ายอย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นเราต้องรับไว้ก่อนแล้วพิสูจน์เมื่อพิสูจน์แล้วเราเห็นได้ด้วยตนเองนั่นแหละไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทีนี่เพราะอะไรเพราะมันของจริงเนี่ยมันไฟจับไฟมันก็ร้อนจริงๆจับน้ําแข็งมันก็เย็นจริงๆริงทำชั่วก็ได้ชั่วจริงๆทําดีก็ได้ดีจริงๆเกิดและตายตายและเกิดตายและสุขในตายและเกิดรู้ได้โดยตนเองอีกต่างหาก นั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะคณะสัตายาญาิโยมลูกหลานทุกคนให้เชื่อในพระธรรมคำสอนให้เชื่อแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินนั่นแหละจะเป็นหนทางแห่งความสุขความเจริญอาต่อนี้ไปรับพรในตีน่นาคณะสงฆ์อนุโมทนาให้พร